พระรายปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2องพระสูตรที่13มหาทุกขคขันทสูตรสูตรว่าด้วยกองทุกข์สูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนารามตรัสกับภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องที่นักบวชศาสนาอื่นกล่าวว่าพระสมณะโคดมและพวกเขาบัญญัติข้อที่ควรกำหนดรู้เกี่ยวกับการ คือความใกล้และสิ่งที่น่าใกล้รูปคือธาตุทั้งสี่ประชุมกันเป็นกายละเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์พระสมณะโคโดมและพวกเขาบัญญัติข้อที่ควรกำหนดรู้เกี่ยวกับกามเหมือนๆกันไม่มีอะไรต่างกันตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายลองย้อนถามดูว่าอะไรคืออัจฉร ความพอใจอาทีนวะโทษนิสรณะการพ้นไปของกามรูปและเวทนาซึ่งนักบวชและที่อื่นจะตอบไม่ได้และมีความอึดอัดยิ่งขึ้นทั้งนี้เพราะไม่ใช่ปัญหาในวิสัยส่งยืนยันว่าไม่มีใครตอบปัญหานี้ได้เป็นที่พอใจเว้นไว้แต่ตถาคตสาวกของตถาคต หรือผู้ฟังจากศาสนานี้ทรงสแสดงการมคุณหคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะที่น่าปรารถนรักใคร่ชอบใจว่าเป็นอัสาธะหรือความพอใจของกรรมทรงสแสดงการต้องประกอบอาชีพต่างๆลำบากตราตรำหนาวร้อนหิวกระหายเป็นต้น การที่เปียนพยายามแต่ไม่ได้ผลต้องเศร้าโศกเสียใจเมื่อได้ผลแล้วก็ต้องทุกข์กายทุกข์ใจเนื่องด้วยการอารักขาทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นก็เศร้าโศกเสียใจตะเลาะวิวาทกับคนทั้งหลายแล้วทำร้ายร่างกายกันใช้อาวุธทำสงครามฆ่าฟันกันก่อสร้างป้อม ถูกลงโทษทรมานต่างๆเพราะทำความผิดเช่นตัดช่องลนสะดมเป็นต้นที่มีการเป็นเหตุว่าแต่ละอย่างเหล่านี้เป็นโทษของกามเป็นกองทุกข์ที่เห็นทันตาเมื่อตายไปก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจที่มีการเป็นเหตุเป็นโทษของกาม เป็นกองทุกข์ในอนาคตทรงแสดงการนำความพอใจความกำหนัดยินดีในกามออกเสียวว่าเป็นการพ้นไปจากกามสมณพราหมณ์ที่ไม่รู้เรื่องเหล่านี้ตามเป็นจริงที่จะกำหนดรู้กามด้วยตนเองหรือชักชวนผู้อื่นเพื่อกำหนดรู้ซึ่งผู้อื่นปฏิบัติตามแล้วจะ ก, กำหนดรู้กามย่อมเป็นไปไม่ได้ต่อเมื่อรู้ตามความจริง จึงกำหนดรู้กามด้วยตนเองหรือชักชวนผู้อื่นให้กำหนดรู้ได้ทรงแสดงความสุขกายสุขใจเพราะมีผิวพรรณงดงามว่าเป็นความยินดีแห่งรูปทรงแสดงความแก่เท่าหลังโกงปันหักผมงบเป็นต้นจนถึงตายถูกทิ้งในป่าช้ามีกระดูกสีขาวว่าเป็นโทษของรูปทรงแสดงการนำความพอใจ ความกำนัดยินดีในรูปออกเสียวว่าเป็นการพ้นไปจากรูปแล้วตรัสเรื่องสมณะรามที่ไม่รู้เรื่องเหล่านี้ตามเป็นจริงและที่รู้เรื่องเหล่านี้ตามเป็นจริงเหมือนเรื่องการทรงแสดงการเข้าฌานทั้งสี่ทีละข้อในสมัยที่เข้าฌานนั้นๆยอมไม่คิดเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย ยอมเสวยเวทนาอันไม่มีการเบียดเบียนว่าเป็นความยินดีแห่งเวทนาทรงแสดงเวทนาที่ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาว่าเป็นโทษของเวทนาแล้วท่งแสดงการนำความพอใจความกำนัดยินดีในเวทนาออกเสี้ยวว่าเป็นการพ้นไปจากเวทนาและสมณพราหมณ์ผู้ไม่รู้ตามเป็นจริง และรู้ตามเป็นจริงเกี่ยวกับเวทนาเหมือนเรื่องการพระสูตรที่1 4จุลทกุกขันทสูตรสูตรว่าด้วยกองทุก์สูตรเล็กสําหรับคําว่าเล็กหรือใหญ่คํานี้ไม่ได้หมายความว่ากองทุกเล็กหรือกองทุกใหญ่หมายถึงสูตรใหญ่สูตรเล็กที่มีชื่ออย่างเดียวกัน จึงต้องใช้คําว่าใหญ่เล็กมาประกอบเพื่อจําง่ายพระผู้มีพระภาคประทับณ น, นิโครธารามใกล้กรุงกบิลพัฒน์แคว้นสักกะตรัสแสดงธรรมแกมหานามสั ก, กะยะผู้กราบทูลถามว่าโลภะโทสะโมหะเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตข้าพระองค์จะละทาอะไรในภายในไม่ได้ บางคราวธรรมะคือโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างจึงครอบงมจิตตั้งอยู่ตรัสตอบว่าละธรรมภายในนั้นไม่ได้จึงเป็นเช่นนั้นถ้าละธรรมภายในนั้นได้ก็จะไม่รองเรือนไม่บริโภคกามตรัสถึงอริยาสาวกและแม้พระองค์เองเมื่อก่อนตรัสรู้ ถ้ายัางไม่เห็นดีด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงว่ากามมีความยินดีน้อยมีทุกข์โทษมากก็ยังไม่ได้บรรลุความสุขอื่นจากกามหรืออกุศลธรรมหรือปราณีตกว่านั้นยังไม่หมดความเวียนมาในกามต่อเมื่อเห็นดีด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วจึงได้บรรลุความสุขที่อื่นจากกามหรืออกุศลธรรมหรือปราณีตกว่านั้น หมดความเวียนมาในกามแล้วตรัสแสดงความพอใจของกามโทษของกามการออกไปจากกามเช่นเดียวกับมหาทุกขขักขันทสูตย์ที่ย่อ ม, มาแล้วแล้วตรัสเล่าเรื่องที่ทรงโตอตอบกับพวกนิครณทรงเทียบให้ดูว่าพระองค์ทรงมีความสุขมากกว่าพระเจ้าพิมพิสารอย่างไรซึ่งพวกนิครณได้ยอมรับว่าจริง